การจะเป็นคนดีนั้นสามารถทำได้ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นและการที่จะประสบความสำเร็จนั้นก็สามารถทำได้ด้วยการหาความรู้ขยันหมั่นเพียรไม่จำเป็นต้องเบียดเบียนผู้อื่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการปฏิบัติธรรมถ้าเราอยากจะให้ได้ผลเราต้องมีความตั้งใจมีความเพียรแล้วก็มีความอดทนไม่ท้อแท้กับอุปสรรคทั้งหลายังเช่นว่า บางสิ่งบางอย่างที่เราปฏิบัติเนี่ยหรือได้พบเจอได้กระทบทางำนาจจิตใจบางทีมันเป็นความไม่พอใจบางทีเราไม่ชอบอารมณ์แบบนี้ความคิดแบบนี้การกระทําอย่างนี้เราไม่ค่อยชอบเราต้องมีความอดทนกับอารมณ์อดทนเอาไว้ ความอดทนอดพลั้นเนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึง่งหรือต้องมีความเพียนเพียนที่จะอดทนเพี้ยนี่จฝึกฝนจิตใจเนี่มีความอดทนมีความเพียรมีกำลังใจเราก็จะประสบผลสาเร็จโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยการเจริญสติเนี่ย ถ้าจะให้ได้ผลไวๆอย่างที่เราต้องการแล้วก็เราต้องทาให้ต่อเนื่องในทุกอิรียบทตลอดทั้งวันคำว่าต่อเนื่องนี่ไม่ใช่ว่าเราจะขาดสติไม่ได้นะบางครั้งบางช่วงเราอาจจะมีการเผลอไปบ้างหลงไปบ้างอันนี้ก็ไม่เป็นไรถือวเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดาของสติของสังขารทั้งหลาย ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความไม่เที่ยงสติก็ไม่เที่ยงนะเราใช้สติเกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องก็าเป็นเหล็กเส้นถ้าหากว่าหลงไปเผลอไปขาดสติไปเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวด้วยว่าเราเผลอไปแล้วหลงไปแล้วขาดสติไปแล้วช่วงนี้แค่เรารู้ว่าเราหลงไปเนี่ยโอ้เราก็ได้สติแล้วมันจะไม่ขาดช่วงไปนาน พรสตินี่ตามรู้ทันอยู่เสมอๆก็เรียกความรู้ตัวกลับคืนมาได้มันจะไม่ต่อเนื่องกั็เหมือนเหล็กเส้นนะจะเหมือนลูกโซ่เกาะกันเป็นเปราะๆรู้บ้างหลงไปบ้างเมื่อหลงเราก็รู้มันจะเป็นการต่อเนื่องโดยอัตโนมัติดีกับเราปล่อยหลงไปทั้งนานปวดจะรู้ก็ต้องนานอันนี้จิตใจเราจะไปกักิเลียดนานนะอย่าหลงนาน หลงและก็รู้รู้ให้ไวๆให้ต่อเนื่องในทุกอิริยาบถการต่อเนื่องนี่ไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะในรูปแบบการเดินจงกรมการดูลมหายใจการยกมือสร้างจังหวะเพียงแค่นี้เท่านั้นไม่ใช่เราต้องรู้ให้ต่อเนื่องนอกรูปแบบด้วยการใช้ชีวิตของเราการทำหน้าที่ต่างๆ อิริยาบดใหญ่อิริยาบด ย, ย่อยการดื่มน้ําการทานข้าวการแต่งเนื้อแต่งตัวการกวาดพื้นการทําความสะอาดให้มีสติตามรู้เห็นจิตที่มันคิดนึกความสุขความทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจสงสัยม่วงนอนอาการต่างๆเราเนี่ยที่เป็นเรื่องของจิตเป็นอาการของจิต แล้วก็มีสติตามรู้มันจะรู้ต่อเนื่องกายหรือต่อเนื่องจิตก็ได้ตามรู้ไปเรื่อยๆสติจะมีกําลังจะมีพลังเรียกสติพละการทําต่อเนื่องเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากสติจะมีความเข้มแข็งจะตั้งมั่นอยู่ได้นานจะหลงไม่นานหลงแล้วกลับมารู้หล่นกลับมารู้จะหลงไม่นานในพระไตรปิฎกบอกว่าถ้าว่าเราจะเรียนสติ ที่ต่อเนื่องการในทุกอเรียบทตลอดทั้งวันไม่ขาดสายเนี่ยอย่างเร็วนะ7วันต่อเนื่องในทุกเรียบทตลอดทั้งวัน7วันอย่างกลางก็คือ7เดือนอย่างช้าก็คือ7ปีผลเกิดขึ้นก็คือจะเป็นพระหัส์ในชาตินี้ถ้าไม่เป็นพระหัสนก็เป็นพระน า, าคามีเนี่ยถือว่าเป็นการเจระเสติที่ได้ผลมากคือทําให้ต่อเนื่อง ที่เราทําใหม่ๆเนี่ความต่อเ น, นื่องอาจจะเป็นไปไม่ได้อาจจะหลงไปนานจนสติใหม่ๆอาจจะหลงที่เราหลงไปนี่ไม่ใช่หลงไปจากไหนหลงไปจากจิตใจเราคือไปกับความคิดหลงไปจากกายหลงไปจากจิตคือไปกับความคิดเผลอไปหลงไ ป, งไปอดีตบ้างอนาคตบ้างคิดปรุงแต่งแล้วก็ขาดสติ ปล่อยจิตเปิดใจให้ไหลตามความคิดไม่อาจจะเป็นอย่างนี้นะจะมีอุปสรรคมากมายต้องต่อสู้ต้องต่อต้านสารพัดอย่างที่เป็นอุปสรรคของการเจริญสติอันนี้ทั่วปฏิบัติย่อหย่อนไปหน่อยอาจจะขาดความเพียรบ้างท้อแท้บ้างจิตตกบ้างอะไรอย่างนี้นะอันนี้อาจจะหย่อนไปหน่อยพอเราปฏิบัติไปนานเนี่ยสติมันก็มีการพัฒนาขึ้นเหมือนกันนะ ก็พยายามดึงจิต ใ, ใจเรากลับมาให้อยู่กับปัจจุบันเขาไว้อยู่กับเนื้อกับตัวเขาไว้เนี่ยมารู้กายเขาไห้ดึงจิตกลับมาให้รู้กายรู้สึกตัวเขาไว้ก็ต้องมีการบังคับม้างมีความตั้งใจมังกดคุมบังเป็นสมาธิหนักไปหน่อยเนี่ยเป็นการเพ่งด้วยเจตนาจิตอาจจะเครียดไปแต่ก็ยังมีความสงบอยู่นะอาจจะมีความสงบแต่สงบแบบไม่เย็นสงบแบบ ร้อนๆแข็งๆเกร็งๆเกลียดถ้าก็จิตสงบได้เหมือนกันอันนี้อาจจะตึงไปหน่อยนะอาจจะตึงอาจจะเป็นทุกข์บ้างจะมีอาการมากมายมือสิษะโปสิสะแต่ก็ยังเป็นการปฏิบัติอยู่มันอาจจะตึงไปไม่หย่อนก็ตึงอะ่ะก็ดีนะใหม่ๆก็ตึงๆไว้ก่อนเพราะจิตเราเนี่ยมันเขาจะฟุง้งปรุงแต่งไว้อารมณ์ต่างๆฟุ้งตึงไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปมันก็หย่อนไปได้ ไม่ย่อนก็ตึงเนี่ยต่อไปมันจะเข้าใจแล้วก็พบทางสายกลางได้อันนี้เป็นการเจริญสติสำคัญว่าที่นี้ว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าเราจเจริญสติได้ถูกต้องหรือไม่อาจจะมีการวัดผลง่ายๆจากการปฏิบัติของเราผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่เข้าใจนะแต่ก็พอจะรู้ได้จาเอาไว้รู้ไวใ้ใช่ว่าใส่บากแบกหามจำเอาไว้แล้วก็ลอง ไปฝึกดูนะวิธีเราจะทราบว่าเราจะสติได้ถูกต้องหรือไม่เราต้องดูเป้าหมายว่าเราจะเลิญสติเพื่ออะไรเราจเจริญสติเพื่อให้มีสติจเจริญคือการพัฒนาทําให้มากๆสติคือความระลึกได้จเจริญสติก็เพื่อให้มีสติมากๆไม่ใช่เพื่อความสงบความสงบเป็นเพียงผลจากการจเจริญสติต้องมีสติก่อน แะความสงบจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยไม่เน้นไม่มุ่งเอาความสงบมุ่งให้มีความรู้สึกตัวให้มีสติให้สติเขาทาหน้าที่ไปเดี๋ยวเขาก็จะสงบไปเองเขาจะเกิดยานปัญญาขึ้นไปเองจะสังเกตว่าสติเนี่ยจะตื่นรู้เด่นเป็นหนึ่งนี่ถือว่าเป็นการทําที่ถูกต้องเลยนะมันจะมีตัวรู้เกิดขึ้นแหละสติจะตื่นรู้ มีตัวรู้อยู่ในจิตใจเราอันนี้เป็นภาษาพูดนะอย่าคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่นีดว่าเป็นภาษาธรรมเรียกว่าภาวะสภาวะที่รู้ก็คือในจิตในใจของเรามันเด่ น, นตื่นรู้เมื่อมีการรู้มีการตื่นก็ต้องมีการเห็นเมื่อสติมันตื่นรู้ก็จะเห็นเห็นกายเห็นจิตเนี่ยชัดเจนเลยเห็นเป็นรูปเป็นนามด้วย กายเคลื่อนไหวอะไรก็สติตามรู้ได้โดยอัต โ, ตโนมัติกายจะก้าวไปแต่ละก้าวก็รู้สึกจะเลียวซ้ายแลงขวาก็รู้สึกแม้กระทั่งกระพริบตาก็รู้สึกกลืนน้ำลายก็รู้สึกนอันนี้สติมันจะคลอเคลียไปกับกายที่มันเคลื่อนไหวการยกมือสร้างจังหวะการก้าวแต่ละก้าวลมให้ใจแต่ละครั้งมีสติตามรู้จะเลียวซ้ายแลขวาจับช่วยอะไร สติก็จะคลอเคลียตามรู้กายไปหมดไม่ได้ส่วนที่ละเอียดที่เกิดขึ้นจากกายก็คือเกิดขึ้นทางจิตอาการของจิตเนี่ยความคิดนึกต่างๆพอคิดปั๊บสติรู้อาการต่างๆของจิตเนี่ยสติจะรู้ทันหมดเลยอันนี้แสดงว่าเป็นผลจากสติมันตื่นรู้รู้กายรู้จิตรู้รูป ร, รู้นามคลอเคลียไปกับอาการเาเนี้ สภาวะเช่นนี้จะเป็นปัจจุบันมากผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าเนี่ยเป็นปัจจุบันจะรู้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันที่กายเคลื่อนไหวที่ใจมันคิดมันนึกในอาการต่างๆสติต้องรู้ที่ปัจจุบันจึงเป็นสติที่แท้จริงรู้กับปัจจุบันมันดีเห็นลึกไปนั่นนะลึกไปกว่านี้นอกจากเห็นรูปเห็นนามแล้วอาจจะเห็นตรายรักเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในรูปนามด้วย อันนี้ปัญญาละเอียดลงมาอีกเห็นไตรลักษณ์เห็มนมรรคผลนิพพานเนี่ยถึงที่สุดเลยนะเห็นกิเลสละกิเลสแล้วก็ออกจากกองทุกข์ได้อันนี้ถือว่าเป็นลำดับที่ว่าเราจะสังเกตุว่าเราจะสติถูกต้องหรือไม่ก็ตรงนี้แหละแล้วอุปนิสัยของผู้ปฏิบัติในตอนเนี้จะมีความเพียรจะมีความขยันจะเจริญสติได้ต่อเนื่องเดินยังกลมก็เดินได้นาน บางท่านเนี่ยเดินได้ทั้งวันเลยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเจริญสติในเรียอบทต่างๆก็ทําได้ทั้งวันต่อเนื่องกันทั้งวันเนี่ยจะมีความเพียรมากไม่ค่อยอยากพูดคุยกับใครถือว่าเสียเวลามันเฉลืองดับทุกเสียเวลาเดีย๋ยวจะปลีกปลีกเล่นออกจากหมู่จากเพื่อนเพื่อจะไปปฏิบัติจะมีความขยันมากจะมีความเพียรในช่วงเนี้ยแสดงว่าสติเขาเกิดดังที่พุทธปาสีกล่าวไว้ว่า คนมีสติย่อมขยันก็ตรงเนี้ยก็ถูกต้องขยันมันเพียงไม่ยอดท้อบางทีถึงเวลาทานอาหารไม่ยอมทานก็มีนะโอ้อาหารนี่ไม่ทานก็ได้จะขยันทำอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยจะเกตว่าเราทำถูกต้องกับตรงเนี้ยตรงที่เรามีความขยันมากขึ้นไม่เบือ่อไม่ท้อแท้กายจะเบาจิตจะเบาการเดินแต่ละก้าวการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ยเบาเบาวิว อย่างที่เขาเรียกว่าไร่น้ําหนักน้าหนักสัก 60- 70บกิโลเนี่ยโอ้เหลือแค่1020ีกิโเท่านั้นเบามากกายเบาใจเบาไม่ใช่ใจเบาเชื่ออะไรง่ายๆนะไม่ใช่คือจิตใจเนี่ยเบาวิวไม่หนักไม่เครียดไม่ตึงเป็นปกติเบาเหมือนกนนกที่มันปลิวไล่น้ําหนักเบากายเบาใจกายละหูตาจิตตาละหุตา ี่อาการเบาๆก็ขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราจิสติถูกต้องแล้วนะอาการเบาๆผ่อนคลายจิตใจจะผ่อนคลายไม่เครียดร่างกายก็ผ่อนคลายไม่มีการเกร็งไม่มีการปวดอาจจะมีทุกขเวทนาบ้างแต่นิดหน่อยไม่มีปัญหาแต่จะเบาชัดเจนเลยจิตจะเบิกบานสดชื่นเบิกบานจะมีความสุขน้อยๆถ้าเราทำถูกต้องแล้วมันจะเบิกบานจะมีความสุขนะ ถ้ายิ่งทํามันยิ่งเครียดยิ่งแน่นยิ่งอึดอัดยิ่งปวดศีรษะยิ่งเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เป็นทุกข์การปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์เนี่ยยังไม่ถูกทางนะต้องแก้ไขบางคนบอกว่าตอนยังไม่ได้มาปฏิบัติยังไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะยังไม่เครียดอย่างสบายสบายอยู่แต่พอมาเจอสตินี่เอ๊ะทำไมมันจึงปวดศีรษะทําไมคลื่นไส้อาเจียน มันเครียดมันเกร็งคืออัดจิตใจมันหนักอึ้งอันนี้เป็นเพราะเราทําให้ถูกต้องอย่าไปโทษ ธ, ธรรมะต้องโทษว่าเรายังทําไม่ถูกต้องถ้าเราไปยึดติดตรงนี้แล้วก็เราจะเห็นว่าอ๋อกักปฏิบัติกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติเนี่มันไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วสู้ไม่ปฏิบัติซะดีกว่ายังไม่ทุกแบบนี้อย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจอย่าเพิ่งไปหาเหตุหาผลลองฟังดูแล้วก็ลองทําดูใหม่ลองตั้งจิตตั้งใจใหม่ จิสติแบบเบาๆง่ายๆเพราะการปฏิบัติเนี่ยเป็นไปเพื่อไม่ทุกข์นะทําแล้วต้องสดชื่นเบิกบานใจสบายคลายทุกข์ดับทุกข์ได้เพียงแต่เราตั้งักตัวใหม่เอาใหม่รู้สึกตัวใหม่รู้ง่ายๆรู้สึกตัวแบบส บ, า ย, ส บ, า, ยบายๆแบบผ่อนผ่อนคลายๆแบบปล่อยหวานไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรจากการปฏิบัติแค่รู้เฉยๆ ไม่ต้องบังคับไม่ต้องห้ามไม่ต้องพิงมันจะคิดอะไรก็ปล่อยมันแต่เราก็รู้ไม่ต้องบังคับรู้แบบธรรมชาติธรรมดาสบายๆใช่ไหจิตมันก็มีความผ่อนคลายอยู่แล้วใจดีแล้วก็รู้แบบสดชื่นเบิกบานผมยิ้มอยู่ในใจเล็กๆน้อยๆเห็นไหมถ้าใจิตใจเราดีเนี่ยการปฏิบัติมันก็ดีนะการกระทบอารมณ์ก็ดีอย่างเช่นเราอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ที่ทํางานอยู่ในสังคมเนี่ย อารมณ์มันหยาบมากก็ทําให้จิตใจเราเนี่ยหยาบไปด้วยแต่ถ้าเราวางจิตวางใจแบบสบายสบายเบาๆเนี่ยกระทบอารมณ์มันก็สบายมันก็เย็นมันก็เบาขึ้นอยู่กับใจเราเป็นสำคัญนะเพราะฉะนั้นการวางจิตวางใจในี่ชัวรคัญมากมันทําให้เราเริ่มต้นปฏิบัติเริ่มมีความสุขละเริ่มทําก็เริ่มมีความสุขแล้วพอเริ่มต้นจากมีความสุขขณะปฏิบัติก็มีความสุขพอสุดท้ายมันก็พบกับความสุข ความสุขนี้ไม่ใช่สุขแบบทางโลกๆนะเป็นสุขสงบเย็นภายในแต่มีสติรู้อยู่เนี่ยการต่อนเนื่องีสําคัญมากการต่อนเนื่องนานๆบ่อยๆเนี่ยทำให้จิตมันตื่นรู้เกิดเป็นพุทธพุทโธพุทโธเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แจ้งตื่นจากกิเลสความหลงงมงายแล้วก็เบิกบานเพราะว่า ใจไม่เสือมหมองเพราะไม่มีกิเลสครอบง น, นเพราะนั้นขอให้เราปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันานานๆทั้งวันได้ยินงดีเลยในทุกเรียบทยินงดีเลยเป็นการสร้างเห็นถูกต้องก็มากเพียงพอแล้วลวก็ผลเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกเพราะผลจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องสมควรกับเหตุ